พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10บพฤษภาคม2554มีชื่อเรื่องว่าจงเตือนตนด้วยตนเองวันนี้เป็นวันที่วันที่สิบ พฤษภาคมพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน6วันพระหน้าเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันประสูตรตัดรู้ธรรมแล้วก็เป็นวัน ปรินิพานปงสังขารของพระพุทธเจ้าในวันเดียวกันคือวันเดือนวันเดือนหกเพนคือวันพระนาเนี่ยวันเดือนหกเพ็นแต่วันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่าอ่าเป็นวันพระวันหนึ่งเป็นวันที่พวกเราทําบุญทําทานรักษาศีลลําลึกอ่เรียกว่าเข้าสู่วัดว่าศาสนา ปฏิบัติตนตามที่เป็นอุบาสกอุบาสิกายึดแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายึดพระไตรสระคมเป็นหลักถึงวันพระ8ปดค่ำสิห้าค่ำพวกเราก็ไม่ควรจะปล่อยปะละเลยจนเกินไปถ้าไม่มีกิจไรหนักหนาจนเกินไปอย่างศาสนาอื่นเขาก็ยัง ไปวัดของเขาอย่างศาสนาบางศาสนาท่านเคร่งจนจนหนึ่งวันหนึ่งทำกิจกรรมไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อวันแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้โอกาสดื่อว่าให้ใช้สติปัญญาไม่มีการขู่เข็นบังคับอะไรทั้งหมดเป็นแนวอิสระพวกเราก็เลยไปอิสระไปทางกิเลสมากกว่า ปล่อยปาละเลยจนไม่ได้จนไม่ได้มีความสนใจไม่ก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเลาให้พวกเราเตือนตนด้วยตนเองว่าสมควรอย่างไรการสสแสวงหาทรัพย์ก็จำเป็นการสแสวงหาทรัพย์ในใจก็จำเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายใน แต่เราจะไปหาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวทรัพภายในไม่มีการไม่มีการขวนขวายไม่มีการศึกษาไม่มีการใส่ใจทรัพภายในมันหมดมันโกวว้าวอ้างว้างเงียบเหงาเหมือนกันนะขอให้พวกเราทุกท่านทั้งเสาะแสวงหาทรัพภายนอกด้วยทรัพภายนอกก็จะตั้งอยู่ในความประมาทการเสาะแสวงหาทรัพยภายนอกปัจจัยสี่ ข้าวน้ำโภชนาะอาหารที่พักพา้าใสยาแก้โรคภัยไขย้เจ็บผ้านุ่มห่มอันนี้ก็คือปัจจัยสี่เราก็หาอยู่แล้วส่วนอาหารทางใจโดยมากาว่าเราไม่ใส่ใจถ้าเราไม่เชื่ออย่างเดียวเท่านั้นแนตะ่ถ้าเราไม่เชื่อมันอาจจะตัวนี้อาจจะหลดุลดหล่นลงไปได้เพราะความไม่เชื่อจุดนี้นหละแต่ตามไม่จริง เราจะเราจะสอนเราจะบอกใครถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ความเชื่อจุดนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ตามไม่จริงถ้าเราศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติ ด, ดูเราจะเชื่อเราต้องเชื่อบุคล ค, ค, บคลที่ควรเชื่อคือบุคคลที่คือควรเชื่อก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระหรันตสาวก ที่ท่านได้ประสบประการมาอย่างไรท่าน ม, มาแนะนำสั่งสอนพวกเราเราควรจะฟังโฟว่าทของท่านอย่างพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในตำรับตำราแต่พระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนท่านวานรกมีจริงนะสวรรค์มีนะผมมาโลกนิพพานมีจริงนะเปรตมีจริงแต่สัตย์ิรฐฉาเนี่เราเห็น ช้างม้าบวกควายหมูหมาเป็ดไก่สัตว์นานาชนิดเราเห็นอันนี้เราไม่ต้องบอกใครสัตว์นานาชนิดแต่ว่าสิ่งที่ลึกรับไปกว่านั้นคือพวกเทพเทวาทั้งหลายนั้นเรามองไม่เห็นแต่เราก็เลยไม่เชื่อแต่ตามไม่จริงเชื่อใ ห, ให้ฟังเอาไว้แต่ก็ให้สังเกตเละ ป, ป, ปฏิบัติ ด, ดูแต่ทำยังไงท่านจึงจะเห็นสิ่งเหล่านั้น พระพุทธเจา้าพระอรหันตสาวกท่านเขบอกว่าให้นั่งสมาธิในเมื่อร่างสมาธิจิตใจของเราสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจมันคนละแนวกันคนละเรื่องกันรถกับคนขับรถคนขับรถนั่นจะไปยังไงรถนั้นถ้าคนไม่ขับแล้วมันหมดอายุของมันมันก็อยู่ในปา่าหญ้าเป็นเศษเหล็กไป แต่คนขับรถนั้นจะไปอยู่หมกอยู่ปลาหญ้าไม่ได้ต้องหนีออกจากรถไปหาที่อื่นรถคันอื่นต่อไปนี้พระหันหรือพระผู้ท่านรู้กับจะเปรียบเทียบกับคนที่ท่านได้รับการศึกษาดีหรือว่าคนที่ร่ํำรวยอย่างที่ท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างเนี้ยท่านได้รับการศึกษาท่านรู้ว่าคุกตารางเป็นยังไง แล้วก็สมบัติเศรษฐีเป็นยังไงความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงแล้วหนทางที่จะไปสู่คุกสู่ตารางนั่นคืออะไรหนทางที่จะเป็นหนทางที่จะไปสู่เศรษฐีนั่นคืออะไรถ้าผู้ได้รับการศึกษาที่ดีท่านจะเรียนรู้ทั้งทั้งเงื่อนทั้งสองเงื่อนแต่คนบางคนน่ไม่เคยเห็นคุก อย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่เคยเห็นคุกเขนตารางไม่เคยเข้าเมืองเลยไม่เคยเห็นมาคุกตารางนั่นคืออะไรพวกเราก็ว่าไม่เชื่อว่า ม, มีคุกแต่เอาเถอะอีกสักวันหนึ่งเราทําความชั่วเข้าไปขายยาบ้ายา마กค่าคู่ค่าคนเข้าไปไปลกไปลักไปขโมยเข้าไปเดี๋ยวตํารวจเขาจะจับไปหาคุกเองไม่ยากนี้ก็เหมือนกันถ้าหาว่าเรา ไม่เชื่อว่านรกมีแต่อีกสักวันหนึ่งแต่เมื่อเราตั้งอยู่ในความประมาททำแต่กรรมชั่วเสียหายเมื่อเราตายไปแล้วนั่นะยมมันทูษก็จับไปหานรกเองไม่ต้องอยากเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้กระจุดนั่นลหละแต่ถึงยังไงเราเข้าคุกหรือเข้านรกไปแล้วเพราะนั้นสิ่งที่มันชั่วอย่าทำต้องเชื่อฟัง เขากฎหมายอื่นฆ่าคนไม่ได้นะติดคุกนะโกงคนไม่ได้นะติดคุกนะอทําอย่างนั้นติดคุกนะเอิอเพอื่อตะก่อนเคยยิงไกป่ปลาล่าไก่ป่าแต่ยุนเขตป่าสงวนเขานะพอไปล่าเข้าไปโอ้ติดคุกนะออถูกสินไหมนะถ้าเราไปทําก็ถูกสินไหมติดคุกจริงๆเพราะเหตุไรเพราะว่า มันกฎหมายมันมีนี่ก็เหมือนกันถ้าหาว่าพวกเราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็ไปสู่ความหายยะเหมือนกันติดโคกติดตลาดเหมือนกันไปตกนรกบกไหม้เหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่ามันผิดกฎหมายเขาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเราทํากรรมชั่วที่พระพุทธเจ้าท่านวางไวนะ้น่ะกรรมชั่วทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําไม่ดี <c oughs> อย่างนี้เป็นตน้น ทำกรรมที่ไม่ดีเราก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแล้วทำกรรมดีก็คืออะไรในหลักของพุทธศาสนาท่านกษัตริย์กรรมดีคืออะไ ร, ส, ส, ร, ร, ออะไรสรุปแล้วก็คือเขาเราเราเขาอยู่ด้วยกันอย่าเบียดเบียนึ่งกันละกันมีน้ำใจต่อกันมีเมตตาต่อกันอย่าเบียดเบียนกัดอย่าเอารัดเอาเปรียบกันนี่แหละอันนี้แหละคือ เขาเราสรุปแล้วก็คือคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมแต่ ว, ว่าเขาเราคํานี้เราก็ต้องฟังทาคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาเราก็จริงอยู่ถูกกันไปซื้อสุรามาดื่มอย่างนี้มันถูกกันพอลงขันกันซื้อสุรามาดื่มกินแล้วก็ถูกกัน เ, เข้ากันได้เพราะว่าก็ไม่เบียดเบียนกันถูกกันแต่พอดื่มเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงดื่มเข้าแล้วเมาเข้าไปแล้ว มันออกไปทางไม่ถูกต้องอย่างนี้อันนี้ก็คือเราก็ต้องคิดว่าเราต้องเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงาอีกเหมือนกันสิ่ ง, ส, งสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ดีต้องเราต้องใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างมาเป็นกระจกเงาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่แหละ พวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือให้เป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้อาศัยการได้ยินได้ฟังฟังหลายครั้งต่อหลายหนศึกษาต่อหลายครั้งหลายหนศึกษาในหนังสือศึกษาในเทบ ป, ปังศึกษาในธรรมเทศนา อ, อาศัยอุบายจารย์ได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนจากนั้นเราก็นํามาวิเคราะห์นํามาพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผล จากนั้นเราก็จะเห็นหนทางว่าอันนี้อันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรจากนั้นก็วางตนนะจ๊เมื่อเมื่อพิจารณาได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความเชื่อชพอเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่อาตมาได้พูดว่าหลวงตาเคยพูดทางว่าภาคอีสานของเราเนี่ยโดยมากเป็นคนที่ศรัทธาคือความเชื่อง่ายพอพูดอะไรก็เชื่อแต่พอเชื่อแล้วก็ละและ คล้ายๆกับว่าเชื่อพระพุทธศาสนาก็เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีอยิงก็เชื่อแต่คนมาพูดอีกอย่างหนึ่งก็เชื่ออีกก็เลยเชื่อหล่อแหละไปเรื่อยคล้ายๆว่าไ ม, ไม่มีหลักอันนี้ก็คือโดยมาก ผ, ผู้ไม่ได้ปฏิบัติส่วนพระสงฆ์ไพระสงฆ์แต่พระอีสานเหมือนกันพระพุทธศาสนาคือพระธูรก ร, รมฐานพระพระอีสานเหมือนกัน แต่ก็ตั้งความเชื่อตัวความเชื่อตัวนี้เนะี่ยจัดทาคือความเชื่อจุดนี้เนะี่ยมันก็เป็นกุญแจดอกสาคัญอีกดอกหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราไม่มีความเชื่อซะเลยพูดอะไรขึ้นมาก็ไม่เชื่อไม่เป็นไปได้แล้วอย่างนี้เราจะเราจะไตรตรองเหตุและผลในเรื่องนั้นได้ยังไงเพราะเราไม่เชื่อแต่เมื่อเราเชื่อไว้ก่อนอย่างพระกรรมฐานเชื่อ ว่าพระพุทธศาสนาบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงเชื่อทําทดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างนั้นก็เชื่อในครูบาอาจารย์เชื่อในครูบาอาจารย์แล้ว เ, เราก็นํามาประพฤติปฏิบัติไงนั่งสมาธิยังไงเดินยงกมยังไงปฏิบัติตนอย่างไรจนจิตเข้าสู่ความสงบตามขั้นตอนเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้า ในเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนั้นแล้วแต่หนึ่ถอนไม่ขึ้นเหตุอะไรเพราะเชื่อเชื่อแบบภาคปฏิบัติเชื่อลึกเออไม่ไม่เชื่อแบบผิวเผินเออพี่น้องชาวบ้านลูกหลานโดยมากเชื่อแบบผิวเผิน เ, เขาปั่นไปยังเขาเป๋เลื่อนไหลไปเรื่อยแต่เชื่อในหลักของพระพุทธศาสนาเชื่อในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยอมันหนักแน่นเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลาย พยายามทำให้ภาวนานะให้ปฏิบัตินะพวกเราจะประสบแต่ความสุขความสบายใจเอาทำไมมีชนีสองตัวหรือเปล่าวะเหมือนเหมือนเทียงสองตัววะเอารับพรแตในนะอนุโมทนาให้พร